و ك ل م ن أ َ ي ي م و ت ش ه د أ ر ج ل ه م ب م ا ك ا ن ا ي ك س ب و ن อัลล م ฮฺประทานพร ا ก่ผู้ ومن รู้ ل ักศีลธร هادئله إ إ الله و ่าชั ا ว ل าละอิลลัลลอฮูอ ه ลลอฮฺละชริกะละว่ ح ชัด عبد ุ ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك ل م َ ا ت ا ل ل َ ه ا ل ت َ ا م َ ا ت م ِ ن ش َ ر, الل ر مَا خ َ ل ََ ب س م ا ل ل َ ه ِ ا ل َ ذ ي ل ا ي ض ر ُ م َ ع ْ م ه ِ ش َ ي ء فِي ا ل ْ أ َ ر ض ِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء َ วะห م วะสลามีอัลอาลีมรดีดุบ ل ลอห์รับบ์วบิลิสลามดีน่าวบิมุฮัมม و ดรัสูละัลลัฮุมไยณ ب อาอุบุค์์์์์์์์์์์์์์์์์ ف ์ ي ์์์์์ ا ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ ا ل ل ه ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ วร ضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ياحي ياقيوم برحمتك أستغثث أصلح شأن كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี ja u, ja um, ่น ah uh. ้องที่รู้น้ำมาที่มัสยิดหรือที่บ้านของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับ แด่พี่น้องที่ติดตามรายการตับซสือ Al ัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านด้วยความเมตตานะครับด้วยความเคารพด้วยความเมตตาของอัลลสุบฮานวูวาตาลานะครับที่เราหลับไปเมื่อคืนนี้เราก็ตื่นขึ้นมานี่เป็นความเมตตาของอัลลอมุมินทุกคนทั่วโลกต้องนึกถึงอัลลอต้องขอบคุณอัลลอนะครับ อย่าเป็นคนที่อัลลอฮ์นั่นคือคนกาเฟ่แต่ผู้ที่เป็นมุลหมินเนี่ยจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดเวลาดูอาตอนตื่นนอนว่าไงอัลฮมดุลิลลาฮิลลาดีอัคยานะบาดมาอมาตนานะวาฮิลาอินยูชู เราก็เตือนๆกันนี่แหละนะแล้วก็เรานี่แก่แล้วนะพยายามลุกขึ้นนมาตะหยุยให้ตื่นก่อนนมาสุโบสักชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงเนี่ยทำดูเลยนะขอดูอาไปนมาดไปร้องไห้ไปในความผิดที่เรากระทำไว้ในอดีตออกจากบ้านตรงมีดูอาใช่ไหม بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فك ืนรถมิดวงอีก سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا له م ق ر า ي ن و บ ن ا إلى ربنا ก م ล ل ع و ن ตอนเดินมาเนี่ยพอลงจากรถเนี่ยเดินเข้ามัสยิดมีดวงอ่านอีกอ Allahumma Jalasfi q a l นูรอน a n و ีِ ي سمايه n u r َ ن ْ فَوْقِ ว่ามินใต้โนรั ن ว่าอันยามีนีโนรันเบชิมาลีโนรันว่าอ ي มามีโนรันว่า ا รหีโนรันว่าฟา ر ุตีโนรันอัลลอฮุมะจัลลีโนรันอัซิมลีโนรว่ากับิรีโนรันดีดอาค่อยๆเรียนไปก็ศึกษาหาความรู้พอมาถึงมัสยิดก็ต้องนึกเรานี่เข้าบ้านาะลอนะเข้า้วยเท้าขวาพร้อมกับดูอาอัลลอฮุมะตัฟลีอะบูะบรหมติกะ ตอนเดินขาไมมีต้องอ่านอีกอัลลอฮุมาตีนีอัฟดาลามะตุกตียาอิบะดากะซอลิฮัยอัลล์ดูอาตลอดเวลานะดูอาเยอะมากอนะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เรามาทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงาซีนะครับอายาที่61อัลลอฮุอักบัเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ่านมาถึง60ใช่ไหม อุน ah um uh um ันบ่าไงนะอาลามอาฮัดอิลยกุมยาบานีอาดัมัลลาตับดุอชัยตันอินนุลกุมอโดมมุบีนฉันไม่ได้กัมชับหรือว่าทำสัญญากับสู่เจ้าดอกหรือลูกๆของอาดัมเอ๋ย ว่าจงอย่าบูชาอย่ากราบอย่าปฏิบัติตามอย่าเชื่อตัวไซต์อนแท้จริงไซต์อ น, นั้นเป็นศัตรูเห็นไหมอดูลเป็นศัตรูเอาศัพท์ท่องจําคุณอ่านอดูนแปลว่าศัตรูไซตอนเป็นศัตรู อ, อัลลอฮฺแมูบินอลัลลอฮฺบอกเองนะศัตรูที่ ชัดชัดแจ้งเลยตัวโยงเลยแหละนี่ไม่มีศัตรูตัวไหนที่อลัลลอฮ์พูดนกะเรกูอ่านนักกับก็ไซตตอนฉะนั้นที่เรอาอ่านดุอาเนี่ยเพื่อปก ป, กป้องไซต์ตอนพอไซตตอนเป็นศัตรูที่มองเห็นตัวไหมไม่เห็นนี่ไงพราะมองไม่เห็นตัวอ่ะซึ่งเราหลบไม่ได้บางทีเดินชนมันฉะนั้นต้องขอความคุ้มครองจากอาลัลลอฮ์ดีที่สุดนะครับ อัลลอฮฺกรบทีนี้คำว่าตะบูดุสัยต์นี่ในฟัตฮุลกอดีรในตับเซนในในหนังสือหลายหลายเล่มก็บอกว่าเชื่อฟังมันปฏิบัติตามมันถึงมันถึงเราไม่เห็นตัวเราก็เชื่อมันได้นะ่ะอะไรรู้เปล่าอารมณ์ของเรานี่แหละเราปฏิบัติตามอารมณ์เราความอยากของเรา อยากได้นั้นอยากได้นี่ทั้งๆที่มันผิดหลักการอิสลามล้าก็ยังดันจะเอาให้ได้อะนั่นแหละคือเรว่าปฏิบัติตามไชต่อแล้วนะาวันนี้นะครับมาถึงอายาที่ห1อ็นะครับอัลกัมบุลิลละวะอันยับุดูนีฮะจัซิรตุมมุสตกี ว Allah <ت ص في ق> ่านิ عبد ุนีฮะจ่าศรัทธุมุตสติมีอัลลอฮฺสุรยาซินะที่เราท่องจำนะดูคำแปลนะ <ت ص في ق> และว่าไปว่แลอันนี้บุลนจงเคารพพักดีนีแปลว่าฉัน จงเคารพพักดีฉันก่อนหน้าเนี่ยอย่าเคารพอย่ากราบชะมาอย่าเชื่ออย่าตามใส่ต่อแต่ตามใครล่ะปลอดภัยที่สุดตามใครตามอัลลอฮฺวะอานีบูดูนีจงและจงเคารพพักดีฉันคืออัลลอฮฺองเดียวเท่านั้นจงเคารพอัลลอฮฺองเดียวจงเชื่อฟังอัลลอฮฺองเดียว จงปฏิบัติตามอัลลอฮ์องเดียวนี่หัวใจของมุสลิมต้องโยงกับอัลลอ์ตลอดเวลาเลยนะครับการเชื่ออัลลอฮ์องเดียวกราบอัลลอฮ์องเดียวปฏิบัติตามอัลลอค์องเดียวเนี่ยเป็นยังไงฮะดานี่คือซิรอตุนแปลว่าทางซิรอตวะชาน แล้วก็อีกคำหนึ่งซีอรอดเหมือนกันแปลว่าสะพาน <c oughs> ก่อนที่จะเข้าสวรรค์ใช่ไหมเดินผ่านซีอรอดก็เรียกว่าสะพานสับคำเดียวกันนี่แหละซีอรอดแปลว่าทางซีอรอดแปลว่าสะพานเราต้องนึกเลยนะอ๋อรอเรื่องมันยังไม่ถึงนะแต่ใจนึกแล้วว่าเราจะต้องผ่านสะพานและบนสะพานนี่ต้องอธิบายได้แต่ไ สิ่งที่เรารอรอเราอยู่นะสองเรื่องใหญ่ๆนะญาติพี่น้องกับอามานนะเคลียบหมดแล้วอ่ะก่อนขึ้นสะพานนะเคลียบหมดนะ่ะแต่ไปเจอญาติพี่น้องที่ทะเลาะ ก, กับญาติพี่น้องว่ายังไม่คืนดีเจออีกนะ่ะเอาเอานี่ยทะเลาะประชันไว้เนะี่ยยังไม่คืนดีฉันด่ายกัตั้งเยอะแยะนินทาตั้งด้วยโอ้โหแล้วก็อามานนะที่รับปากกันไว้นะ่ะกับใครแต่ใครนะ่ะแต่ไม่ให้นะ่ะ ไปเคลียบนสะพานอีกถ้าสองเรื่องนี่ไม่ผ่านเป็นไงไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะสิรอแล้วก็ไปไหนข้างล่างนารกน่ะเนี่ยนึกภาพตรงนี้มุมินต้องไม่ทำความชั่วถ้าทำแล้วต้องเตาบ้าตัวต่วตออัลลอฮฺ سبحانه วละกตาะล่นะวะเนียอัดูนีและจงเคารพพักดีฉัน อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกฉันนะเชื่อฉันนะแล้วก็เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้มาให้คัมภีร์อุษุนมาเล่มนเงมนใช่ไหมแล้วก็ส่งนบีทุกยุคทุกสมัยให้นบีมาเป็นบุคคลตัวอย่างให้ทําเป็นแบบอาจาะนมาดนมาตามนาบีอาบน้ํำนมาตามนาบียึกรุลเลาะตามนาบีทําเลี่ยงบุญทําอาหารตามนบี เผยแผ่อิสลามตามนาบีอยู่กับภรรยาตามนาบีอยู่กับลูกตามนาบีเพราะนาบีสอนละเอียดทุกเรื่องไม่ได้ไม่ไม่มียกเว้นตรงไหนเลยละเอียดจริงๆชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดละอาระก็บอกว่านั่นแหละแนวทางที่ดีที่สุดหาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลุล ล, ลัลอะเลยยูอัสลัมนะครับในคุรานอธิบายกุราน ว่านี่ย ع ู د ุนีฮาซีรัตุมมุสต اق ินผมก็เช็คได้ประมาณหกหกอายะนะอ่าน่ะกุรานอธิบายกุรานเองนะครั้งว่าฟาบุษเนี่ยจงเคารพอัลลอฮ์เนี่ยอธิบายอย่างงี้จงเคารพอัลลอฮ์เนี่ยกี่วัน <c oughs> นึกเองได้ไหมจนกว่าจะตายนี่ไงอีกข้อที่หนึ่งนะ Allahu akbar. อาบุดรับบะกะ حتى يأتيك ا ل ยะ ي ีนะสุรฮ์ الحجر. ا อายะ์ที่ 99. จงเคารพักดีอัลลอฮ์จนกว่าจะตายอยากเคารพแล้วก็เลิกกลางคันตอนใกล้จะตายไม่เอาอัลลอฮ์แล้วไปเอาสายตอนอีกอัลลอฮ์ระวังระวังไม่รอดนะฉะนั้นจงพักดีต่ออัลลอฮ์จนกว่าจะตาย อายะที่สองสุรุ่อะซุมัดอายะที่สองว่าบุตอัลอ์มารยม姆มารยามอายะที่ห5บห้าพักดีต่ออัลลอ์ให้ทำตัวยังไงฝ่าบุตฮูวัสตอบิรเลีบาจาตีฮีจงพักดีต่อ Allah, ตอัลลอ์และ Allah, จงอดทนเนี่ยเป็นบาวของอัลลอฮ์พักดีต่อ Allah, ตอัลลอ์จงอดทน ถ้าไม่อดทนเดี๋ยวเจอมีปัญหานู่นปัญหานี้เข้ามาเลิกลาออกจากอิสลามฉันไม่เอาอิสลามแล้วอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบวชเดี๋ยวบวชมาอีแล้วเดี๋ยวบริจาคอีกแล้วอัลลอฮ์อยู่ในอิสลามเนี่ยทำไมต้องนู่นต้องนี้ลาออกอยา่าฟ้าบุตรหวัสตอเบรลียอบิบะดาตีฮีจงพักดีต่ออัลลอฮ์และจงอดทนต่อการ เคารพภักดีต่ออัลลอฮสม่ำเสมอต้องอดทนจำไวนะอดทนนะอยู่กับอิสลามต้องอดทนไหมอยู่ก็ต้องอดทนอายาที่สามสุลูมัอายาที่สองนะครับอินอันซันนาอิลัยคันคิตาบะบิลฮักฟะบุดิลลาฮฺมุคลิซัลลอฮฺดีนแสดงตัว เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นี่นะต้องหัวใจบริสุทธิ์อ่าข้อที่หนึ่งอยู่กับอัลลอ์จนกว่าจะตายเรื่องที่สองต้องอดทนเรื่องที่สามอยู่กับอัลลอ์เนี่ยต้องหัวใจสาดเขาเรียกว่ามุคลิสมุคลิสุลละหุนดีนี่สามเรื่องแล้วนะอยู่กับอัลลอฮ์นี่นะเรื่องที่สี่ อ, อ, อยู่กับอัลลอ์เนี่ยต้องขอบพระคุณคนเป็นด้วยไม่ใช่อยู่กับอัลลอ์อย่างเดียวแล้วไม่เอาใครอะ่ะต้องขอบคุณอัลลอ์ขอบคุณ ure, ขอบคุณอัลลอฮ์โดยการเช่นอะไรบ้างมีริสกีเพิ่มมาทำไงให้บริจาคอ่าเห็นไมติดต่อกับญาติพี่น้องทำดีกับภรรยาทำดีกับลูกๆทำดีกับบ้านใกล้เรือนเคียง อย่าไปทะเลอกกับคนบ้านใกล้เรื่องเทียนอย่าต้องชุกชุกต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลานะข้อที่หอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยนะคารพักดีต่ออัลลอฮ์ให้ทำไงให้สแสวงหาฤาษีด้วยให้ทํางานด้วยให้สแสวงหาฤาษีกับอัลลอฮ์ด้วยเนี่ยถ้าอยู่กับอัลลอฮ์สแสวงหารฤากีนะอาจารย์ให้แสวงหาก็ต้องเลือกใช่ไหมละ่ะฤากีแบบไหน ฮลาลอัลลอฮุอะลลอฮิกระเบอย่าง์ี้กับซุร่างกับบูรอายาที่17บเจะตะอินดัลลอฮิริกว่าบูดูได้ริสกีมาแล้วก็ต้องพักดีต่อัละอย่าขาดนมาดอ่าอย่าขาดนมาดก็นจะว่าไดนะให้แสวงหาริสกีก่อเอาล้นแล้วก็อย่าขาดนมาดข้อที่หต้องนึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่า อยู่กับอัลลอ์นี่นะอัลลอ์เป็นผู้สร้างด้วยอัลลอ์ o, ให้ให้จนให้รวยให้เจ็บให้ป่วยต้องนึกนึกววันนี้สุขภาพแข็งแรงมาคืนนี้นอนนอนไม่หลับโอ้โหย่าอัลลอ์ความจริงดูอามีนะไม่ต้องไปกินยานอนหลับด้วยผมอ่านประจำล้วกระหลับดีอัลลอห์นี่ดูอาถึงนอนไม่หลับนะเพราะว่าต้องอ่านทุกคืน ไม่ต้องรอไม่ให้หลับแล้วคอ่อ่านนะอ่านทุกคืนเลยอัลลอฮุมะลอรอตินูยูมวาฮดาอติลอุยูนอันตะฮัยุนกอุยุมละตะฮุดุสินะตุวะละนอมวะดิไลลิวาอานิมไอหนีนี่เป็นดุอานนอนไม่หลับไม่ต้องรอให้นอนไม่หลับก่าคคอยว่านนะ่ะคอยเริ่มพอ น, นอนก็อ่านทุอา น, นี่บวกไปเลยจะทำนี่แลหลับทุกคืน ตัวเว่าอยู่กับอัลลอฮ์ต้องทํากับอย่างหกข้อนะข้อที่หนึ่งอยู่กับอัลลอฮ์จนกว่าจะตาย 2. อักดีต่ออัลลอฮ์ต้องอดทนข้อที่สอยู่กับอัลลอฮ์ต้องหัวใจบริสุทธิ์ 4. อยู่กับอัลลอฮ์ต้องขอบพระคุณมนุษย์เป็นอยู่กับอัลลอฮ์ต้องแสวงหารีสกี้ของอัลลอฮ์อย่าแสวงหารีสกีอย่างเดียวต้องทําอิบาัต ด, าด้วยอย่างอื่นด้วยข้อที่ห อยู่กับอัลลอ์ต้องมั่นใจว่าอัลลอ์นี่นะขอเล็กเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราสุขภาพเราแข็งแรงหรืออ่อนแอทั้งหมดเหล่านี้อัลลอ์เป็นผู้จัดแต่เพียงผู้เดียวอัลฮัมดุลิลละนี่กุรานอธิบายกุรานนะ Al อัลฮัมดุลิลละทีนี้ตรงกันข้ามถ้าไม่เอาอัลลอ์ได้อะไรถ้าไม่เอาอัลลอ์เนี่ยได้อะไรนี่เอาอัลลอฮ์นะ เอาลอต้องประกอบไปได้หเรื่องเลยมา้ถ้าไม่เอาลอยจะนะได้อะไรโอ้โหนี่มีหนังสืออยู่หลายเล่มนะอธิบายอธิบายงี้ผมอธิบายให้ฟังนะคนที่ไม่เอาลอยนี่นะข้อที่หนึ่งเวลามีความรู้ความรู้ด้านสามัญใครที่มีความรู้ถ้าไม่เอาลอยนะความรู้ของเขาที่เขาเพิ่มขึ้นนี่นะความเย่อหยิ่งจองหองก็ตามมา นี่อันตรายมากเลยนะไอ้ความรู้ที่มีอยู่หาสตังได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัคลากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิริยาท่าทางของเขาให้ดีได้เห็นยังครับอ ย, อยู่ห่างอลัลลอ์นี่นะไม่กราบอลัลลอฮ์กราบสาต้อนไวยัไงถ้ากราบซาต้นนี่นะ ความรู้ที่เขาได้รับมาดีช่างจบด็อกเตอร์ปัญญาโทปญญาตีอะไรก็ตามนะกลางหมดเลยแล้วก็ดูถูกคนอื่นด้วยนะคนอื่นจะฉิบหายกันนะเมื่อข้ามือกนอ่ะกูไม่เกี่ยวแต่โมเมนต์เป็นอย่างไงไหมไม่ใช่ครับโมเมนต์เนี่ยเวลามีความรู้เป็นไงนอบน้อมแล้วก็ลก็ทอมตนอโลพี่น้อง แล้วก็ความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นกับคนอื่นเองอะ่ะนี่ความรู้อิสลามอะ่ะท่านคนที่มีความรู้อิสลามก็มีความรู้ดุนยาอย่างเดียวนะต่างกันอย่างกว่าก็ดีเลยออามาดูซอบานะ้านนบีอ่านหนังสือเล่มเดียวคือคุณอ่านใช่ไหมเลนนิสัยเป็นไงน อ, นอมน้อมทอมต้นคณะซาดินาอุ ม, มัดใช่ไหก่อนรับอิสลามนะเป็นไง รอตบคนนั้นต่อยคนนี้พอรับ伊斯兰อะไรเป็นไงครับร้องไห้อะสงสารน้องอนะที่ไปตกเอาไว้มาตอนนุ่นะตอนรับก่อนอิสลามนะตัวทั้งเลือดไหลทั้เสียใจอยู่นะนั่นคนที่มีมีความรู้ด้านอิสลามก็คือคือมี إ ي م ا านี่ไนะกับความรู้ที่ไม่ไม่โยงกับอัลลอฮ์นะจะเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็อวดดีเรื่องที่สอง คนที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์นี่นะเวลาเขามีสุขภาพดีนี่นะตะกะบูดอีกคนก น, นะนึงนะกูแน่หัวหึ ม, มึงไม่สู้กูมไม่ได้เวลามีเงินเยอะๆเป็นไงคนที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์เนี่ยโยงกับสายตอนเยอะๆนี่นะม่โยงแต่เราเวลามีเงินขี้เหนียวเมื่อเพิ่มขึ้นเรื่องบริจาคมีไหม <laughs> อย่ได้หวังเลยใช่ไหมล่ะ ฉะนั้นคนที่มีาศาสนาที่โยงกับอัลลอฮ์พักดีต่ออัลลอฮ์เวลาก็เมียเงินเป็นไงก็บริจาคเหมือนใครเหมือนซาบะของท่านนาบีเช่นใครบ้างอดูร์มานเบนเอา้าบริจาคทีหนึง่งซั์สินทซัส์สมบัติเงินทอ บ, บริจาคให้ชาวมาดินาเนี่ยให้ครอบครัวนบีดูแลครอบครัวนบีอัลลอฮ์ดูแลคนยากคนจนเนี่ย ผลจากการที่มีความรู้เรื่องอีหมา่าเรื่องกูนอานเรื่องซุนนะนบีอย่างเดียวทาให้จิตใจของเขาเปลี่ยนเอาตัวกันข้ามเอาต่อมาอีกเรื่องนี้นะคนที่หัวใจของเขาไม่โยงกับอัลลอฮ์เนี่ยเวลาเขามีตำแหน่งนี่นะเขาก็จะเยื่หยิงโจมหงอยเหมือนกันมีเงินก็ตนีมีตำแหน่งก็เยื่หยิงมีความรู้ก็ดูถูกคนอื่นใช่ไหมเนี่ยสามสี่ข้อเนี่ย ไปน้องเอาไปต่อยอดเองบ้างก็ได้ใช่ไหมนี่ไงผลจากการที่มีความรู้และมัยโยงกั บ, Allah, บอัลลอฮฺ سبحانه และุ์ุตาลตรงกันข้ามคนที่มีอีมานมีตั ก, กวาเวลาก็มีความรู้เนี่ยเขาจะนอบน้อมถ่อมตนสงสารเมตตาคนอัลฮัมดุลิลลเพราะไอ้ความรู้ที่มาจากกุลีน์นะจากสุนาทชนนบีเอาต่อมาครับอายาที่62 ว่าแล้วก็อัลลอฮ์มิ่งคุมจีบิลลังกะซีรออาฟาลัมตคุนูตั้งติลูนว่าแล้วก็อัลลอฮ์มิ่งคุมจีบิลลังกะซีรออาฟาลัมตคุนูตั้งติลูนอัลลอฮฺอัลลอ a ดูสับก่อนนะ ล้วก็ตรว่าโดยแน่นอนยิ่งอาดอละได้ทำให้หลงอาด่อล่ะทำให้คนอื่นหลงอาด่อล่ะทำให้หลงมิงกุ้มจากสู่เจ้ายิบิลลันยิบิลลันแปลว่ากลุ่มชน กลุ่มชนหรือหมู่ชนจิบิลกาซีรอนมากมายตองารจะอธิบายว่าคนที่ไม่เอ า, าศาสนาคนที่โยงกับชัยตอนไม่โยงกับอัลลอฮ์หัวใจไม่โยงกับอัลลอ์เนี่ยคนเหล่านี้น่ส่วนใหญ่นี่นะทำให้คนส่วนมากเนี่ยหลงเพราะเขาเองทำตัวให้คนอื่นหลง หนึ่งพาเมียหลงด้วยสองพาลูกหลงด้วยใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เพื่อนฝูงของเขาเนี่ยพาก็หลงหมดเลยนะรู้สึกตัวไหมล่ะไม่รู้สึกตัวถ้าไม่อ่านกุรอานนี่กุรอานชี้นานะจะนั่นใครที่โยงกับอัลลอฮ์เขาจะไม่พาใครหลงไม่จะพาคนเข้าหาศาสนาแต่ถ้าขวางอิสลามขวางอีมานขวางอัลลอฮ์ขวา ง, Allah, วางรสูญโยมกับไซตต่อ น, นี่นะ ตัวเขาเองน่ะเป็นสื่อเป็นพาหนะพาให้คนหลงเยอะแยะไปหมดแล้วหนักได่ไหมหนักตัวเองหลงคุณเดียวไม่พอน ะ, อะพาเมียหลงเองสองพาลูกหลงเองอ่ะแล้วก็ไปยุโยงชาพงชาวบ้านอยู่ละมึงเชื่อกูนี่อยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมหนักได้ไหมหนักว่าละก็เดอดลลามิงคุมจีบิลังกาซิโรเฮียมาเนี่อาลเล่าให้ฟังนะ เล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนฉะนั้นอย่าไปยึดใชยตอนอ้อลูกหลานของอาดัมเ อ, อ๋ยถ้าเองยึดใชยตอนเองคนเดียวไม่จะทาให้ตัวคนเดียวหลงนะให้คนอื่นหลงตามไปด้วยลรวก็บาปไหมล่นะนี่คนอาจารย์เนี่ยพูดเยอคนดีนะแค่อาจารย์อย่างเดียวเนี่ยถ้าอาจารย์ติดต่อกันแปดปีนะบีพูดนะฮะได้ไปสวรรค์ อาซา ญ, ญานบิลานะมีพราสาทอยู่เป่าซาญานบิลานะไม่มีพราสาทมีหวังเป่าวไม่มีมีเงินกี่พันล้านมีไหมไม่มีครอบครัวก็ยังไม่มีเลยนะ่ะอยู่บ้านเพิงต่ออยู่ที่มัสยิดนบีแต่เขาอยู่กับอะไรรู้ไหมอยู่กับเสียงอาจารอยู่กับนมาศสองเราก็อัดหลังจากอาบน้ำนํำนมาศจบสองเรื่องเองอ่ะ หนึ่งอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมอัลกุรอร์รออัลฮุอักรอร์ยังอื่นไม่มีนะบ้านก็ไม่มีอาศัยนบีทําเพืองให้อยู่แล้วก็ทํอะไรบ้างน้ำมาสองระกัดทุกขางที่อาบน้ำน้ำมาแล้วไปไหนไปสวรรค์แล้วมา น, นั่งคิดฟาโรนะ่ะมตีตำแหน่งใหญ่ไหมคิงแล้วก็มีพระศาส เราก็มีคนดูแลฟาโรห์คนเดียวนสามื่ห้าพันทหาร 5, ห้าถือว่ามันคนอะ่ละล้วไปไหนอ่ะเห็นยังฉะนั้นอยู่บนดุนยานี่จะสแสวงหาอะไรล่ะถ้าไปแสวงหาวัตถุนันก็ไม่ต่างอะไรกับฟาโรห์เหนื่อยก็เหนื่อยคนสุดท้ายช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ยกตัวอย่างไซนาบิลาง่ายๆก็แล้วกันนะ มีแค่รอวนะ่ารอบ่าคอยดูเวลาอาหารอาซาลนาไปอาบนาสมาสองนมาสองแค่ทำแค่สองอย่างนี้นบีเห็นว่าไปไหนเดินในสวรรค์ก่อนห น, น้านบีอีกอะเห็นยังท่านอยู่บนดุยานนี่วางตัวให้เป็นมองชาติปัญญาให้เป็นโอ้อยู่อย่างนี้นะ่ะอย่างนี้นะอย่างนี้นะ่ะปลอดภยัยแต่อยู่อย่างนี้ไม่ปลอดภัยนะแล้วก็เหนื่อยนะท่าเหนื่อยอาซาลมีนบีรางวัลไหม ดีรางวาลัลเหนื่อยอาบน้ำน้ำมาแล้วก็นมามดบีรางวัลไหมมีครับเพราะเชื่อตามที่อัลลอสั่งผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮอวะซัลลัมว่าลก็อัลลอลมิงคุมและโดยแน่นอนยิ่งใชตอนนี่นะโอ้มันทำอะไรได้ไหมมันทำให้หลงจาก สู่เจ้าุ่มชนกาซีร้อนมากมายถ้าจะเอ่ยชื่อน่ะเต็มเลยอ่ะคนที่หลงทางไม่เอ า, าศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาราซูลมีใครจะใครบ้างเยอะ ม, มากเลยครับแต่อลัลลอฮ์ว่ให้เราหาเองอ่ะไปค้นคว้าเอาเองเราจะอิหมามจะได้เพิ่มขึ้นเอาต่อมาครับอาฟาลัมตะกูนูต่าตีลนนอลัลลอฮ์ถามอาฟารัมเราบัตไม ตะกูนูสูเจ้าทั้งหลายเป็นทําไมสู่เจ้าไม่เป็นผู้ที่ต้าตีลูชายปัญญาทําไมคุณไม่เป็นคนที่ชายปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้เก็บสตังเลยนะให้มาเพื่อเอามาคิดวิเคราะห์ฉันอยู่ตามอารมณ์กับอยู่ตามคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันวิเคราะห์เองอะ่ะ และอัลลอฮ์ก็สั่งในกาแฟสุราฟาติ์หรือเปล่าตัวสะบะให้นั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมให้นั่งอยู่คนเดียวพิจารณาของที่นบีมุฮัมมัดนำเอามาสอนเนี่ยหลมทางจริงหรอของที่นบีนำเอามาสอนเนี่ยทําให้สังมคมแตกแยกจริงหรอือนั่งคุยคราอ์คุณเดียวหรือนั่งคุยกับเมียก็ได้สองคนจะเห็นท่าโอจะเห็นท่าโอ้ของที่นบีนำมาเน่ยถูกต้องที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากอิสลามแล้วก็ คืความหายนะทั้งหมดอลไรแต่อัลลอ์นี่เมตานะสามสิบยุท์เนี่ยค่อยอธิบายอธิบายให้มุมินได้เข้าใจอิสลามแบบง่ายๆนะครับตัวรองว่าทำให้คนหลงเนี่ยโทษเยอะไหมเยอะไม่เยอะแน่นอนที่สุดกัน ท, ที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยมีนรกมีอะไรมันจะต่อมาก็จะมีนรกอีกใช่ไหมล่ะแต่นี่ เราเป็นเราเหลือเลือกอยู่ในกลุ่มคนดีดีกว่าเลือกอยู่ในกลุ่มคนดีเนี่ยไอความดีที่เราทําเนี่ยนะจะคุ้มครองเราอยู่บนดุนยาก็คุ้มครองอยู่ในกูโบก็คุ้มครองอายกตัวอยา่างไซนาบิลานมีอะไรอะและชื่อเสียงโทรศนาบิลานวเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเอาตําแหน่งเอาชื่อท่านมาเป็นตําแหน่งใช่ไหมตำแหน่งบิลนันใช่ไหม เห็นยังบิลันเรารู้เลยโอ้ไซนาบิลลานเราดิอัลลอฮุอันดูเป็นชาวบาตันนบีเป็นคนจนที่สุดผิวดําที่สุดไม่มีบ้านอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นชาวสวรรค์เขามีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยมีเสียงอาจารกับนมาศรองเรากระอักทุกครั้งเมื่ออาบน้ำนมาจบแล้วนั่นเห็นยังครัเป็นกรณีตัวอย่างอทีนี้ มาดูความดีที่เราทํานะมันต้องแข่งกันนะความดีนะหนึงสแสวงหาอีิมานไม่หมดอายุตายก็าพาไปได้ด้วยนะสองเรียนรู้เรื่องอิสลามหลักการอิสลามห้าข้อพยายามเรียนข้อที่สามเรื่องเอซานต้องรู้เรองเอซานแปลว่าอะไรเอซานแปลว่าอย่างนี้ทําความดีเหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่เห็นอัลลอฮ์ ใจต้องนึกว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราเขาเรียกว่าอิฮซานทุกครั้งที่จะอ่านกุรอานทุกครั้งที่จะนมาทุกครั้งจะทำดีกับลูกกับแม่แก็ตามแต่กับพ่อกับภรรยาต้องนึกว่าฉันได้ทำความดีเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ้องมองเราดูต้องเป็นแบบนี้นะเรื่องที่สี่อัลบิรุทำความดี เนี่ยเขาส่งเสริมไม่ทำความดีกั น, ว, น, น, นวันนู้นวันนี้วันนี้วันนั้นทำสม่ำเสมอแล้วก็ข้อที่ห้าแสวงหาตักว่าเยอะๆใส่หาแสวงหาตักว่าอธิบายอย่างนี้เหมือนเดินในหนามอ่ะต้องระวังตัวไหมแต่มีวลมากอยู่คนก็าบอกดีนะสะเก็ปนกบางทีนกเวลามันบินไปไหนมันจะจ้องมองซ้ายมองขวามันระวังตัวนะไม่ให้ ได้มาไม่ให้งูมากับจั บ, จบมันอะไรมันเวนลามันบินเวนลามันกาะมันมองซ้ายมองขวาก่อนสังเกตมุหมินก็เหมือนกันให้ทําตัวเหมือนนะกสองอย่างหนึ่งหัวใจต้องคิดแบบนกนั่นหมาตวา ก, กันต่อะล้อแต่ต้องระวัดระมัดระวังระแวดระวังตัวเองทําตัวเหมือนนกเลยมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาตัวมาข้อที่หฮิจรา ฮิจารอ้อนี้อธิบายไงเลิกทําความชั่วแล้วก็หันมาทําความดีการอพยพจากมักกะไปมาดีนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฮิจารอ้อนแต่วันนี้นฮิจารอ้อนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะซาอุดีอยก็ปิดประเทศไปแล้วใช่ไหมอิ ย, ยุมคาดีก็ไม่ได้ไปฮิจารอ้อนที่ดีที่สุดก็คือเลิกความชั่วหันมาทําความดีนั่นยังเรียกว่าฮิจารอ้อนเหมือนกันอ่าอีกข้อหนึ่งเป็นเองอันญิฮ่าการต่อสู้ ก่อนการต่อสู้เนี่ยความหมายเดิมก็คือไปปกป้องอิสลามที่ชายแดนใช่ไหมไปทําสงครามแต่จิฮัดอีกมุมมองหนึ่งต่อสู้ด้วยอารมณ์ตนเองอ่นานบีบอกว่าราจ้านาเมญันจิฮัดอิลอาสกรอิลันจิฮัดิลอาคบัดฉันเนี่ยกับเจ้าสงครามไปทําสงครามบุคคลกาเ ฟ, ฟใช่ไหมฉันพอกับมาแล้วนบีพูดว่าฉันนี่กลับเจ้าสงครามเล็ก มัถูสงครามใหญ่ซาบ้าถามว่าออกไปทาสงครามตายนาบีมองเป็นสงครามเล็กเหรอนี่บกว่าใช่ไอ้นั้นนานๆมีทีผมจะเดือนมีทีหรือปีงสีห้าทีแต่ว่าจ haus, <mand> <laughs> ีฮาดต่ออารมณ์ตนเองต้องทำทุกนาทีอันไหนหนักกว่ากันอารมณ์นี่แหละหนักกว่าจีฮาดที่สนามรบมาแค่ยังนี้นบีเตือนขอบุณนั่ละ เราคิดเองเป็นละ่ะงานอย่างเงี้ยเราคิดไม่ออกถ้านาบีมไม่ชี้นําไว้คิดไม่ออกก็ต่อมาครับข้อที่แปดเตาบ้าอ่าพี่น้องมุสลิมต้องเตอบ้าตัวตลอดเวลาข้อที่เก้าให้อภัยกับคนเยอะๆข้อที่สิบติดต่อกับเครือญาตินี่เป็นความดีทําแข่งกับคนกาเฟ่ที่ก็ทําความช่วยกันอยู่บนโลกุตยามันนี้ก็ต้องแข่งกันตลอดเวลาเลย เอาต่อมาครับตัวลงมานี่พอ่พอทอดชายปัญญาใช่ไหมเอาเราสั่งนะถ้าชายปัญญานะคุณจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครนะใช่ต่ออารรถฉลาดนะครับเอาต่อมาอายาที่63สิามท้าที่จัฮันนามุลลาทีกุนตุมตูอาดูน ฮาซิฮิจันนามุลลาตีคุนตุมตูอาดูนอัลลอฮุอะลลอฮฺจันน้ำแปลว่าอะไรรู้ใช่ไหมนรกอ่าจันน้ำนี่แปลว่านรกในกุณานเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอใช่ไหมเตือน เตือนนบีเตือนมุมินคนที่อ่านกรุรานเดี๋ยวเจอ น, นรกนรกนรกนรกมีจริงไหมมีครับหาวิธีจหันนำนี่คือนรกอัลลตีซึ่งกุนตุม้มสูเจ้าเคยตูอาดูถูกสัญญาไว้มีศาสนาไหนบ้างอะที่ส่งนบีมาสอนพูดพูดเรื่องวนนรกมีจริงคืออิสลามนี่แหละ ตั้งแต่นบีอาดามคนแรกนบีนวัวนบีใครจะใผ่านมาเนี่ยมาอธิบายว่านารกมีจริงนะลักษณะนี้นรกนมีแล้วนะนบีเคยนั่งกับสุฮาบะที่มัสยิดแล้วก็มีเสียงดังตึง้งสั่นหมดเลยมัสยิดสัสน่นสันทั้ ง, ทงมรินาเนี่ยสั่นหมดเลยสุฮาบะถามว่าเสียงอะไรนบี เราสลามบอกว่ารู้มันีนเสียงนี่มันเสียงก้อนหินที่ถูกโยนลงมาก่อนหน้าฉันเนี่ยประมาณพันปีเพิ่งจะมาถึงก้นเดี๋ยวนี้เองตุมสันทั้งนครมาดีน่าเลยทั่วโลกหรือเปล่าวันรออาลามแต่ที่นบีนบีรู้สึกสะเทือนเลยแต่มันมีจริงใช่ไหมแล้วโยนก้อนหินใหญ่ขนาดไหนไม่รู้นะเพิ่งมาถึงก้น เมื่อหนึ่งพรกว่าปีมาแล้วนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดนรกมีจริงไหมจริงขังใครผมนั่งอ่านทาริสนะเอาเดวเล่าให้ฟังมีขังมีขังขังใครมีขังใครบ้างเอาไปสักสิบข้อกันแล้วกันนะสั้ น, นข้อที่หนึ่งคนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ก็คือคนที่เลี้ยงเอาอาหารที่ฮารม มาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อตัวเองไปหาเหสกีมาเลี้ยงอาหารด้วยอาหารที่ฮารอมไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์นอกจากจะตอบ้าตัวเข้าใจนะนี่เป็นท่าี่ข้อิมหมามล斯มเรื่องที่สองลูกที่ทรยศ์ต่อพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ไปสวรรค์นอกจากตอบ้าตัวนะ แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายทําตัวเป็นผู้หญิงระวังนะเดี๋ยวนี้มันมีทั้งสองเลยนะผู้ชายทําเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายมีหมดเลยเนี่ยเลิกให้หมดนะพี่น้องที่ชมรายการที่ได้ยินรายการนี้ต้องเลิกนะไม่ปลอดภัยเลยอในเรื่องนี้ฮันดี้ขอให้มามากินเรื่องที่เรื่องที่สามเรื่องเรื่องเรื่องเรื่อ ง, อ ง, องที่สี่ เรื่องที่เรื่องเรื่องเรื่องที่สามไเอาสิทธิของคนอื่นมาเป็นของตนเองมีเรื่องที่สามเอาสิทธิมาถึงอะไรเช่นเงินเดือนของเขาอาให้ลูกน้องทํางานแต่แล้วให้เงินเดือนเขาไม่ครบอันนี้พิสหมดเลยนะรัฐบาลก็เริ่มดีขึ้นแจกเงินแจกทองก็ห้ามดีแล้วเราก็สบายใจเอา เรื่องที่สคนที่ตัดขาดกับเครือญาติไม่ได้ไปสวรรค์ใช่ไหมนอกจากจะต้องตอบบาตัวต่ออัลลอฮ์เรื่องเครือญาตินะฮะดีอออก่อนอิหมามติดมีดีเรื่องที่ห้าคนที่จะไม่ได้ไปสวรรค์ของอัลลอห์คือเข้านรกก็คือคนที่ทรยศต่อพ่อแม่แล้วก็ติดของมึนเมาจนกระทั่งตายติดกระท่อมเชิญชวนคนไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยดีไหม คำพูดท <lijk> ี่ออกจากปากเรามีเสียงกุณอ่านเสียงสุลวะหนบีเสียงดุอาเสียงซิกรุลนล้อเสียงเชิญชวนคนเอาลูกไปนมาหนะให้อภัยคนนาถ้าออกอย่างนี้ทุกวันทุกวันน่ะบริการในชีวิตมีหรือไม่มีหล่อหัวอักพันยิ่งใหญ่ยุติธริมเลยทีนี้คุณอ่านอธิบายกุณอ่านในสุรนุ่งกับพูดอย่างนี้เหมือนกันยาวมาตาชฮุดูอาไลฮิมอัลซินาตุฮุมว่าอิดีฮิมว่าอัลจุลุฮุมบิมาแกนู อย่างมาลูนมีสามอย่างเหมือนกันในวันเกียรมา์นี่นะลิ้นของเขามือของเขาเท้าของเขาจะเป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติทั้งหมดเลยเห็นยังครับโอ้มาเล่นมาเล่นกับอ AH. ัลลอห์เล่าให้ฟังหมดเลยครับอัลลอฮ์อัลเบตทีนี้ในวันเกียร์มาเนี่ยอัลลอ์ไม่ให้พูดทำไมไม่ให้พูด ใน์อักุรอานออื่นถ้าพูดออกมาแต่ละคคำมันจะพูดอย่างนี้มันจะสาบานก่อนในคนกาเฟตนะคนมุชริกคนที่แอนตี้อิสลามทั้งหมดในวันเกียมาจะพูดแบบนี้ในสุร์อันอามะย่าที่23ว่า AH! ขอขาบานต่อลอ AH! ร์บบินารับบุนามาคุามุสลิน เราไม่ได้ตั้งพาคีกับอัลลอ์เลยเราไม่ได้ทำชีริกต่ออัลลอฮ์เลยจะพูดคานี้ถ้อัลลอฮ์รู้นิสัยแล้วเลยปิดปากก่อนไม่ให้มันพูดถ้ามันจะพูดก็พูดอยู่วัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์พวกอายบาลของเราเอ๋ยมาคุณนะมุชยากุนฉันไม่ใช่เป็นคนที่ตั้งภาคีหรอกอัลลอฮ์รู้ รู้สันดาลแวดง่ายนะรุ่นนิสัยว่าถ้ามันจะพูดบังก็พูดนี่แหละฉันไม่ได้ตั้งภากีกับอัลลอฮ์หรอกฉันไม่ได้ไปหาโต๊ะแต่เกียรอกฉันไม่ได้ไปหาหมอดูหรอกฉันฉันฉันไม่ได้ไปกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หรอกฉันกราบอัลลอฮ์องเดียวมันจะพูดคํานี้แหละเลยอัลลอฮ์เล่าว่าฉันปิดปากมันก่อนนักติมุฮลาอัปวะอิมในสุร้อนอามะยะที่23าพูดเอาไว้ จากหนังสือฟัตฮุลกอดีฮัดดี้ขอยมามุสลิมด้วยเอาไว้อธิบายเรื่องอย่างนี้เอาไว้ที่ไม่ให้พูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันพูดมันก็พูดโกหกเองโกหกบนดุลยาไม่พอจะไปโกหกต่อเนอาราอ์เครเองไม่มีสิทธิแล้วนะเองดาอัลลอฮฺเฉพาะบนดุญยานี่เองดานาบเีเฉพาะบดุลยานี้ดาผู้ศรัทธาต่อรอดเฉพาะบนดุลยานี้ดาสุนานา่าอบเีเฉพาะบนดุลยานี้ แต่วันนั้นวันเกียวมาฉันปิดปากเธอทําไมต้องปิดอธิบายใหม่นะเพราะอัลลอฮ์เล่าว่าถ้ามันพูดมันก็จะพูดโกหกว่าฉันไม่ได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์รอกฉันไม่ได้ไปหาโตตะเกียร์อกนี่มันบรญยายเองนะนะฉันไม่ได้ทํานู่นทานี่หรอกนะอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮ์เลยเล่าให้ฉันปิดปากเอาต่อมาอายาสุดท้าย ว لا نشاء ل ا قمصن على أعينهم فاستبق الصراط فإن يبصرون ว لا نشاء ولا قمصن على أعينهم فاستبق الصراط فإن يبصرون อันนี้เราเล่าว่านะฉันนี่สามารถทำได้ให้มนุษย์เนี่ยเป็นอะไรก็ได้เล่าให้ฟังนะเอ้าจะให้เป็นอะไรว่าเรานาชาถ้าเราอัลลอฮประสงค์ถ้าเราหรือว่าอัลลอฮประสงค์เล่าต่อมาสนาเราจะให้ าลาอายุนิหิมตาของพวกเขาบอดหรือว่าทำลายเราสามารถที่จะให้ตาของคุณบอดบนดุญยานี้ก็ได้ทำไมเล่าตรงนี้เพราะก่อนหน้านี้ฉันปิดปากคุณเอามือพูดเอาเท้าเป็นพยานนี่เล่าให้ฟังว่าทำได้ด้วยนะ ในวันกี่ยามานะโลกดุลยาใบนี้ที่เองด่าอัลลอฮ์ก็อยู่วันนี้ด่านาบีมุฮัมมัดด่าซุน่านาบีนะถ้าจะให้ตาของพระคุณบอดทําได้ไหมได้แต่ทำได้ไหมไทำไม่ทําให้นึก เ, เรานี่มานั่งมองของฮารอมทําไมเนี่ยมองหน้าภรรยาเราลูกเราก็พอแล้วไปมองใครจะใครเองละถ้าอัลลอฮ์จะให้ตาบอดทําได้โอ้โหต้องนึก เนี่ยอัากคุรานจินตนาการเองต่อยอดเองบ้างก็ได้ใช่ไหมล่ะว่าเราอุนาชั่วเราตอมาชนาอัลอายูนีฮิมคำว่าตอมาชนาเนี่ยอีกอายาหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะอัลลอฮ์ให้ตาบอดคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนรู้ไหมกลุ่มนบีลู กลุ่มนบีลูธ ท, ที่มาไล่กัดแปลงตัวมาเป็นชายรูปหล่อมาเป็นแขกของนบีลูธมานั่งอยู่ที่บ้านนาบีลูธพวกผู้ชายทั้งหมดที่เป็นเกย์ทั้งหมดวันนั้นเนี่ยนะเห็นแขกมาเป็นแขกของนบีลูธเป็นผู้ชายรูปหล่ออยากจะนอนกับเขาด้วยแล้วก็ภรรยาของนบีลูธก็ส่งเสริมด้วยซิกอยู่ข้างหลังเชิญเลยเชิญเลยเอลัลลอฮ์เล่า เอาล็อทำลายคนเมืองนั้นน่ะห้ารายการหนึ่งในห้ารายการทำให้ตาบอดบอดยังไงรู้ไหมเอาปีกของมาลาอิกาตบหน้าปีกยิบริลลน่ะตบเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยตาบอดหมดเลยจะมายืนล้อมบ้านอบดลูลาะลุดอะไรฮิสลามต้องการที่จะเอามาลาอิกายิบรีลเนี่ยมาเป็นนอนด้วยนะอนเอาล้อว่ออไม่เท่าไรเองไม่เท่าไร ปีกตบตบเล็กๆไปน้อยน่าตาบอดหมดเลยลาตอมัสนาอูา น, อานุอาญานีเตือน น, นกันลาตอมาลาตนะตอมสซ่านี่แปลว่าทำให้ตาเนี่ยทำลายตาหรือว่าตาบอดทำมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ทำสมัยไหนสมัยนบีอะไรนบีลูดหนึ่งในห้านะอีกเรือ่องหนงคือทรงก้อนหิน ล, ลงมาอีก แล้วมีชื่อแปะอยู่ด้วยถูกใครถูกใครถูกใครถูกใค ร, ใคร ว, ว้าวกลัวไหมผมกลัวน่ะนะว่าในโรคโควิดเน่ะมีชื่อหรือเปลเราก็ไม่รนนู้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้องศาละอุ่นเลยมิซัลกวลวชาวะลตมัสนาอะอยูนิหิมภาษาอุดัวตอมมาาแปลว่าเบนูดกัสเดเตงัย ไม่ให้ตามีรมัศมีมองอะไรไม่เห็นคนตอมาสซาอืมเป็นต้องจำภาษานี้เลยนะตอมัสตอมาสซ า, า, ซาแปลว่าไม่มีรมัศมีตาไม่มีรัศมีย์เาเรียกว่าตารตาบอดคว่าตาบอดเราเอาไหมเราไม่เอาเคยขอบคุณนั่นร้องเปล่าที่เอาล่องมาให้เราตาบอดต้องขอบคุณนเยอะัำไปเรื่อยๆเมื่อเอาล่อให้ตาดีมองอะไรมองกุญแจเยอะ มองหน้าคนให้น้อยนอน่ก็ต่อมาครับ <c oughs> ฟัสตาบากุสิโรจงจงแข่งขันอิสตาบาคูมุซาบาโกแปลว่าแข่งขันกันฟัสตาบากุาสิรรจงแข่งขันจงแข่งขัน สูอัลสิรอตอะไรไดเดกีบเียนแล้วใช่มสิรอตอะไรขนทางาขนทางอะไรสิรอตอัลมุส ต, ตีฟนะ่ะขนทางที่เที่ยงตรงที่เที่ยงธรรมแข่งกันพยายามผลักตัวเองเนะี่ยเข้าไปหาหลักการที่ถูกต้องเถอะเนี่ยเราแนะนาให้นะฉันไม่ทำลายตาพวกคุณฉะนั้นเมื่อมีตาแล้วทำไง เอาสายตาคุณมองหาทางที่ถูกต้องแล้วก็พยายามเดินไปถึงเป้าหมายที่เอาล่อวางไว้ัมดูเลยเลยมีตาไปทำอะไรแค่กูอ่านอย่างเดียวนี่ถึงเป้าหมายยังถึงแล้วครับฝอาายุบซริรูนแต่พวกเขาจะได้เห็นได้อย่างไรเอาความสามารถของตัวเองนะมองไม่เห็นหรอก เชื่อได้ไม่เชื่อมันต้องอาศัยอะไรอาศัยอัลกุรอานอาศัยคําสอนของนบีอาศัยซอฮาบ้านนบีเอาเป็นแบบในการดําเนินชีวิตของเราวันนี้ถึงจะรอดถ้าอย่างนั้นไม่รอดครับแล้วพระยาซอฮาบ้านนบีเหลือรดานบีดาสุน่านนบีทั้งๆที่สุน่านนบีความรู้ที่ผ่านนบีนั่นพาเราไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงสิรอดตลอด ชีวิตเราเนี่อัลลอฮ์เนี่ยเล่าไปเล่ามาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อเพื่อให้ชีวิตเราเนปลอดให้ปลอดภัยจากการลงโทษหลังตายที่กุโบฉะนั้นเองฉะนั้นพง่ายๆก็คือว่าเฟรอนเป็นบุคคลตัวอย่างนะที่เอาล้อให้ทั้งเยอะแยะไปหมดแล้วผ่านไม่ชีวิตไม่ผ่านมาดูนบีมูซาอะลยดิสลามถูกอัลลอฮ์ทสอบเนืกไหมหนักมากครับแล้วก็มาดู เรบ้านนาบีอาคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยนะนบีแล้นะท่านบิ<ม><ม>ลาใช<ม>่ไหมมีอะไรบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีผมอ่านประวัติเนี่ยของท่านอิหม่ามอิบนะฮัมบันรองเท้าคู่หนึ่งท่านใช้นาน<ม>ถึงส7บเจดปีรองเท้าสิเจ็ดปีน่ไม่ได้เปลี่ยนเลย เอาเวลามาทำอะไรมุ่งสอนคนให้รู้จักอะไรมีบ้านเล็กๆอยู่ติดกับมัสยิดเสื้อผ้ามีประมาณไม่กี่ชุดเอาอักรลากนานบีมาชาเลยนะบางชุดนี่นะมีรอยป่าเหมือนไสนาอุมัดเลยเหมือนไซนาอาบูบกัดเลยไม่เคยทำลายวัตถุนี่ยทํทำลายวัตถุนียไม่มีเลย มีแต่ตัวเองลุกขึ้นนมาตะฮัดยุบสม่ำเสมออัลลอฮฺอักบัติรุล้อสม่ำเสมออ่านคัมภีรสม่ำเสมอเรื่องจะาเล่าเยอะ سبحان ัุลลอฮวะิฮัมดิะาดลอิลอิลลอันตะอัสตัฟิกวะบลลลอฮอลอมุฮัมมัดออาลีหวะอัลราัลฮฺมัมยิน و ا ل ل ه